อ น, นี่ยังทูลังขมังรับอารมณ์ได้ไกลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเนี่ยว่าเวลาตาเราเห็นรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าความสามารถในการเห็นรูปเนี่ยไกลแค่ไหนมันก็เห็นได้ใช่ไหมฮะดวงอาทิตย์ทางตั้ง93ล้านโยดธ93ล้านไมล์เราก็ยังเห็นได้เนี่ยทางตานะตาหูจมูกลิงกายแต่ว่าตาหูจมูกลิงกายท่านบอกว่ายังสู้ใจไม่ได้ใจที่มันมันรู้มันเองนะ มันเก่งยิ่งกว่าตาหูจมูกเลยระยะไกลนี้ไม่จากัดเลยทางใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ลึกอารมณ์ละเอียดอารมณ์ไกลเล่นลับตาเนี่ยมองอยังไงก็ไม่ออกเนี่ยเราจะใช้ตาไปคิดอ่านทําไปฟ้าทำํำอะไรมันดูไม่ได้แหละครับแต่ใจเนี่ยมันได้คิดได้ทะลุทะลวงออกหมดเลยการค้นคิดอะไรที่เป็นเรื่องเล่นลับตามองไม่เห็นสัมผัสถูกต้องไปในใจไปควักไปล้วงออกมาหมด ความสามารถของใจสูงมากนั่นก็บอกว่าเทสะไม่จํากัดระยะเทสะเนี่ยไม่จํากัดทิศก็ไม่จํากัดทิศเนี่ยอย่างเช่นเราจะดูอะไรไมันต้องมองหันไปทางไหนเห็นทางนั้นใช่ไหมนอกจากก็จะใช้กระจกกระจกอะกไรมสะท้อนสะท้อนแสงทางเดินงแสงแต่เนี่ยเราหันไปทางไหนก็เห็นทางนั้นแต่พอใจนี่ครับหลับตาหันไปทางไห น, นเห็นท้งนั้นเลยที่เขาเห็นด้วยใจนะ ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาเห็นหมดมีแสงก็เห็นไม่มีแสงก็เห็นความสามารถของจิตจริงสูงมากอ <c oughs> แล้วก็เอกจารังไปดวงเดียวนีจ่จีคือหมายว่าจิตเนี่ยเกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะเกิดขึ้นสองขณะซ้อนไม่ได้อวิธีจิตหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเกิดที่ละขณะแล้วทํางานเนื่องกันสืบเนื่องกันจะเกิดขึ้นทีเดียวสองไม่ได้จึงเรียกว่าเอกาจารัง ก็ทุกคนก็เรียกว่าใจเดียวกันนะแต่ว่าเกิดทีละใจนี่เรามาดูจุดขึ้นจุดลงของวิถีจิตนะผมอธิบายย้อนไม่ได้เรียงนะ่ะก็คู่หาหรือคู่หานั่นแหละเราเรียกเป็นบาลีก็ทีฆะบางรัศ s บ้า ง, ะะางแต่เวลาเรามาเรียกกนะันเราใส่ทีฆะเป็นคู่หา บาลีเขาางีก็คู่หาแบบมันก็มีเอกพจน์ปีผหูพจน์อะไรเข้าขงันนะแบบพิกขู้พิกขู้นี่เป็นหน้าตาคร่าวๆของวิถีจิตที่ว่ า, ามีการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนเป็นลักษณะที่มันขึ้นความรู้สึกชัดเจนขึ้นการรับรู้ชัดเจนขึ้นอย่างงี้นะมันจะมีอยู่ สามระยะโดยหยับหยาบที่เขียนให้ดูออกมาจากอัตราส่วนของจุดขึ้นจุดถึงแล้วก็จุดลงของวิถีจิตที่เกิดขึ้นรอบหนึ่งรอบหนึ่งของทุกๆคนเนี่ยครับเ ว, ว่าเมื่อมีอารมณ์มากระทบตรงขณะหลับนะฮะขณะหลับเมื่อเราหลับอยู่เนี่ยอารมณ์มากระทบที่ประสาทปับ จิตหลับนั้นจะไม่สามารถจะคงความหลับต่อไปได้ก็จะค่อยๆตื่นการตื่นนี่จะค่อยๆตื่นนะจะเป็นคนขี้เศราไม่ขี่เาร้าแล้วแต่ถ้าตื่นเนี่ยจะค่อยๆตื่นคนขี้เซ้าก็ตื่นเหมือนกันคนตื่นเลยก็ตื่นเหมือนกันแต่มันจิตมันแตกต่างกันเขาอธิบายได้หมดละแต่แน่ๆคือตื่นเหมือนกันนี่เวลาตื่นเนี่ยขนาดแรกตื่นเป็นขนาดหนึ่ง แล้วก็ค่อยๆเลื่อนขณะจิตเปลี่ยนมาเรื่อยอความตื่นก็ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นจนกระทั่งถึงจุดชัดเจนที่สุดที่เรียกว่าเป็นจุดตัดสินตัดสินรู้ว่าใครสมมติพูดโดยเปรี่ยวเที่ยวว่าใครมาปลุกเราเนี่ยเรารู้ว่าใครมาปลุกนะฮะหรืออะไรมากระทบเราเราชอบหรือไม่ชอบที่ทำให้เราตื่นเนี่ยนะ ถึงจุดนั้นเนี่ยแปลว่าเป็นจุดที่จิตจะมีความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบหรือเป็นบุญหรือเป็นบาปเกิดขึ้นต่อๆกันในลักษณะที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นบาปเป็นชาวนะถึงเพดานบินขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดสืบต่อกันชั่วเจ็ดขณะน ะ, ะไอ้จุดถึงบนข้างบนที่ภาษาของท่านใช้คาว่าชาวนะ ที่เราแปลกันว่าความจริงตามสามแปลว่าแล่นไปในอารมณ์จุดแล่นชาวนาเนี่ยแปลว่าแล่นเหมือนกับเราขับรถเลี้ยวออกจากตรงตรงนี้พอตั้งหลักแล้วก็แล่นแล่นไปบนถนนที่ราบเรียบแล้วก็พอแล่นไปถึงจุดหมายปลายทางเราก็จะเลี้ยวรถเข้าสู่ประตูบ้านหรือประตูซอยเข้าบ้านอันนี้แปลว่าเป็นถึงจุดลงจากทางที่แล่นมาใ น, นเวลา เรามาจากเนี่ยโม่ขับรถมาแล้วก็ขับรถออกจากบ้านออกจากซอยขึ้นถนนใหญ่ถนนใหญ่ก็เรียบเหมือนเจ้านะที่เรามาโดยลําดับเสร็จแล้วเราก็มาเลี้ยวเข้าทางเข้าตัวนี้คือเหมือนจุดลงที่เรียกว่าตาาล่ะมันนะตรงนี้ยังไม่ต้องกําหนดชื่อจุดลงลงเนี่ยครับแล้วว่ามันถึงที่สุดคือเรียกว่าทําที่สุดแห่งระยะทางได้แล้วถ้าเราเดินทางถ้าเป็นอารมณ์แล้อารมณ์มันหมดอายุของมันแล้วจะเคี้วเขาไม่รู้จะเคี้วอะไรแล้วจะกินเขาไม่รู้จะกินอะไรแล้วมันก็ต้องต้องจบมันแค่นั้น พออารมณ์หมดอายุจบก็แปลว่าหลับต่อหลับต่อถ้าไม่มีอารมณ์อื่นมากระทบตราบใดก็ยังหลับอยู่นั่นเองถ้ามีอารมณ์อื่นมากระทบเราก็ตื่นมันก็อย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงปัญหาว่าอา้าวทาไมบางทีมีอารมณ์กระทบเราก็ไม่อยากตื่นก็มีไม่ใช่เลยใช่ไหมฮะมีอารมณ์มากระทบบางทีก็ไม่ตื่นไม่ขึ้นวิถีและบางทีว่าไม่มีอะไรมากระทบตากระทบหูทำไมขึ้นวิถีคือ เ, เวลาจะหลับ เอาไปนอนปิดพิทยุปิดทีวีดัด u, ด v, ดบไฟมปแล้วนอนไม่หลับมีไหมมีบ่อยๆเอาอย่างนี้เรียกว่าไม่มีอะไรกระทบทาไมมันตื่อเอาทีนี้เรามาพิจารณานะว่ามันไม่มีอะไรมากระทบจริงๆหรือเวลาที่เราปิดอยู่ในห้องคนเดียวปิดห้องเงียบหมดตั้งใจจะหลับหลับตาก็หลับแล้วด้วยแต่ไม่หลับมีอารมณ์มากระทบหรือไม่มีอารมณ์มกระทบมีไม่มีมีฮะแล้วอารมณ์มันมาทางไหน มาทางใจครับมาทางใจคือมันเข้าหูไม่ได้อารมณ์ทางหูไม่มีทางจมูกไม่มีทางลิ้นทางกายไม่มีมันก็เข้าทางใจสำหรับคนที่เขาเรียกว่ามีพวกมีอุปาทานมากก็ดีนะอย่างคนที่คิดคิดมากอุปาทานมากผู้นี้ใจมันเปิดช่องเปิดประตูลับอารมณ์ใครๆว่าเข้าห้องปิดประตูแล้วใจยังเปิดออกมากฉันไม่อยากนอนหลับแกมากวนนหน่อย คลายยางไงมันก็ทำให้นอนไม่หลับเนี่ยนั้นแล้วว่าเราเนี่ยถึงจะปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายแต่ใจเนี่ยเป็นประตูใหญ่ที่สุดนะเป็นประตูที่เราเปิดตลอดเวลาที่จะให้อารมณ์เข้ามาถ้าเราไม่เข้าใจหลักธรรมา น, นี่เราเราไม่รู้จักปิดประตูไอ้ตรงนี้นี่ก็ถ้าถามว่าอะไรเป็นตัวปิดประตูใจอารมณ์ทางใจอะไรฮะ พระพุทธเจ้าตรัสเองนะใครใครถ้าใครอาจจะไม่ไม่ฟังไม่เคยฟังอาจจะตอบตรงพระพุทธเจ้าก็ไดนะ้เพราะเป็นลูกศิษย์เป็นลูกพระพุทธเจ้ลาลงไม้หล่นไม่ไกลต้นอะไรเป็นตัวปิดประตูเป็นตัวปิดกั้นกั้นกระแสท้าที่ท่านตรัดตอบกับมานอกลหนึ่งว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นกั้นกระแสสติใช่ไหม สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเนี่ยทคนที่มีสติหลับด้วยสติเพราะบาตรนาจะหลับหลับจริงๆคนมีสติทำอะไรได้อย่างใจคือคนมีสติมีสติมากเท่าไหร่ก็ทาอะไรได้อย่างใจมากเท่านั้นปิดใจเปิดใจได้นันจะตื่นเมื่อไหร่ก็ตื่นได้ใช้สติกำหนดปั๊บตื่นเมื่อไหร่จะหลับเมื่อไหร่ได้ทันทีเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ไงเขาไม่เข้าสมาบัติออกตามเวลาเพ่ ตั้งนาฬิกาจะตื่นเข็มสามสามเข็มมาทับกันพอดีแล้วตื่นยังได้เลยนะแต่พอตื่นขึ้นมามันเลยไปนิดนะมันก็ต้องคํานวณคอย ห, หลังเอาหน่อยว่าเราเมื่อกี้ถ้าเราลืมตาปุ๊บมันเห็นปับ๊บจิตไม่ผ่านขั้นตอนมันก็พอดีกันใช่ไหมละ่ะเอานาฬิกามาแขวนที่ที่ปลายเตียงพลือขึ้นมาเห็นเนี่ยมันก็เสียเวลาเพราะจิตต้องมีขั้นตอนนิดหนึ่งกว่าจะเห็นนาฬิกานั้นตามหลักของวิธีจิต อ่ทีนี้ที่มีอารมณ์มากระทบแล้วจิตมันก็ยังไม่ยอมขึ้นอยากผวังมันก็มีเป็นไปได้ตามเหตุปัจจัยบ า, บางครั้งบางโอกาสบางคนบางคนอาจจะมีลักษณะประจำตัวเพราะว่าจิตจะขึ้นวิถีหรือไม่อย่างไรนั้นอยู่ที่เหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยแล้วยังไงจิตก็ไม่ขึ้นวิถีเหตุปัจจัยไม่ครบก็ไม่ขึ้นหรือครบแต่ว่า ไม่มีกําลังพอที่เหมาะแก่คนนั้นหรือในโอกาสนั้นๆหรือมีวิสภาข้ปัะจัยคือปัะจัยอื่นที่มาถ่วงมารั้งมากสกัดกัน้นกําลังเหตุปัจจัยเหล่านั้นไว้ก็ทําให้จิตไม่ขึ้นทีเหตุปัจจัยเหล่าเนี้ยก็คือเหตุประจัยสี่อย่างเรายกขึ้นมาพิจารณาในเชิงวิถีจิตกันอีกครั้งนี่ครับที่เรียกว่าเหตุเกิดวิถีจิตแล้วผมยกวิถีทางตามาให้ดู วิถีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนี้จะคล้ายๆกันนะเหตุเยอะๆสแต่ถ้าเป็นวิถีจิตทางใจเราก็มีเหตุปัจใจเยอะเลยครับในทางเรื่องวิถีจิตขยายออกไปตั้งแต่เหตุปัจใจธรรมดาที่สุดที่เรารู้อยู่แล้วและเหตุปัจใจธรรมดาที่เราไม่คิดไม่ถึงแต่ฟังแล้วเรายอมรับได้<โ>ด<ย>ไดเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ทางหลักวิชาการและยอมรับเป็นเรื่องลึกซึ้ง เหตุปัจจัยบางอย่างก็เป็นเหตุปัจจัยเหลือเชื่อฟังแล้วเป็นเรื่องจักจักวงๆไปคือพวกเทพสังหรณ์อะไรต่อะไรอย่างนี้นะมีอยู่ในนี้หมดอ่ะว่าอย่างเช่นเราความคิดของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการรับรู้รับเห็นอะไรของเรานะบางอย่างเกิดจากโรคไปใกล้เจ็บในตัวเราทําให้เป็นไปบางอย่างก็เกิดจากพลังจิตของคนอื่น ที่เข้ามาทําให้เราเปลี่ยนไปเช่นเออคนที่เขามีพลังจิตเนี่ยมาทําให้เราเกิดความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ทํานองเหมือนสะกดจิตหรือบางทีก็เกิดจากพวกโอปปอดิกะที่เรามองไม่เห็นตัวเนี่ยมาโดนจิตขึ้นเราให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคนโบราณเนี่ ย, เ, ยเขาเข้าใจเรื่องบิงทีบางทีอธิษฐานไหวเป้าว่ิญญาณอธิษฐานว่าขอให้โดนจิตโดนใจเราบ้างเดี๋ยวนี้เราเหลือแต่พูดเป็นํานวนติดปากว่าเจะประคูณขอให้ ฟ้าดินหรือขอให้เทพยดาอารักษ์จงช่วยดลจิตดลใจลูกบ้างคนนั้นคนนี้บ้างจงได้ผลพลาวความรู้สึกนึกคิดในทางชั่วอย่างนี้ลงไปบ้างเถอะอะไรอย่างนี้นะหรือบางคนก็มาถามว่าไปบนเท้ามหาพรมให้ช่วยดลจิตดลใจลูกมีลูกก็เขาอยู่คนพ่อแม่เขาวัดลูกไหมเขาอยากให้ลูกเขาวัดบ้างช่วยดลจิตดลใจให้เขาวาดัดดีจะเป็นไปได้ไหม อย่างนี้นะอะก็เราก็พูดว่าในทางในทางหลักเนี่ยมันมันมีรับรองอยู่ว่าเป็นไปได้นะครับแต่มันก็หมายถึงก็ว่าจะไปทําได้ทุกคนเพราะแต่ละคนก็มีเหตุปัจจัยที่เป็นตัวขวางแตกต่างกันออกไปอีกในรายละเอียดออันนั้นเป็นเรื่องทางใจเราไว้ว่าดที่หลังตอนนี้ผมจะค่อยๆพูดเข้าพูดไปหาวิถีจิตอย่างที่ที่ไม่เอาหลักวิชาโครงวิชามาตั้งนะอย่าพูดเข้าไปในทางเนื้อ และจะไปค่อยๆแยกให้เห็นในในแง่ของเชิงระเบียบทางวิชาและจะไม่ไม่ยุ่งยากมากเหตุเกิดที่หนึ่งคือรูปนี่พูดถึงทางวิถีจิตทางตาเวลาตาเราเห็นรูปเนี่ยภาษาวิชาการเรียกว่าจักขุทวารวิถีวิถีจิตที่ทำหน้าที่เห็นรูปารมทางตาแปลกจังเลยครับว่า แค่เราเห็นเดี๋ยวเดียวไม่ถึงนาทีเนี่ยวิธีจิตที่เกิดขึ้นเห็นทางตาเนี่ยนะไม่ถึงครึ่งนาทีไม่ถึงครึ่งของครึ่งนาทีเราพูดกันครึ่งนาทีรู้ไหมไม่รู้พูดกันหนึ่งนาทีไม่รู้กลายเป็นเรื่องยากไปได้ทั้งที่มันเกิดเดี๋ยวเดียวแล้วก็เรื่องของเราเองแท้ๆเมื่อตาเห็นรูป จิตทำงานกันเป็นกระบวนอาศัยเหตุภายนอกสองเหตุคือรูปารมณ์คือสิ่งที่เราเห็นได้โดยตาอย่างหนึ่งแล้วก็แสงสว่างที่สะท้อนจากรูปารมณ์นั้นมากระทบตาเอ่ออันนี้แหละครับที่ท่านว่าไว้ในบริเขตที่หว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียง อารมณ์คือรูปารมณ์และแสงสว่างนั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้กระทบโดยตรงเป็นอารมณ์สืบต่อเป็นอารมณ์สืบต่อถ้าเป็นกระทบโดยตรงในอย่างทางกายกระทบโดยตรงใช่ไหมฮะมือถ้ามว่เราจะตีใครไม่อยู่แก่นี้เจ็บไหมไม่เจ็บอาหารเราจะเปิดเข้าปากมาจอ่อเอาลิ้นมาถึงจะห่างกันแค่เซนติเมตรเดียวก็ไม่ไม่รู้รสเลวหวานมันเค็ม มันต้องถึงเลยถึงจะรู้อารมณ์แต่ถ้าเป็นการฟังการดูอย่างเช่นการดูเนี่ยถ้าเร า, เาตาเราไปชนหน้าคนเห็นไหมไปชนปลายจมูกคนเห็นปลายจมูกไหมไม่เห็นจะดูอะไรชนสิ่งนั้นไม่เห็นแหละครับมันกลายเป็นเข้าตาไปเลยไม่เห็นกันใหญ่เลยบางทีแทนที่จะเห็นโอกาสล้างตาเตอะบอดไปเลยเนี่ย จะเห็นว่าการดูนั้นอารมณ์ต้องอยู่ห่างแล้วก็แสงนั้นได้สะท้อนแสงคืออารมกะภาษาบาลีใช้คาว่าอารมกะสะท้อนกลับมากระทบที่ประสาทตาแค่อารมณ์สะท้อนจากจุดเกิดขึ้นมากระทบประสาทตาเนี่ยเชื่อไหมฮะในผมยังคิดและผมจะอธิบายตรงนี้เอเปล่านะอธิบายแค่นี้เป็นเรื่องโอ้โหเยอะเลยว่าสะท้อนยังไงมีอายุยังไง ภาษาพระเขาใช้คาว่าอสัมปัตตะโคจราคาหากะอสัมปัตตะโคจรากะคาหากะแปล ว, ว่าเป็นอารมณ์ที่กระทบอย่างไม่ถึงตัวคือกระทบแบบสืบต่อกันมาก็แบบอย่างวิทยาศาสตร์เขาพูดพูดกันนั้นไอ้ระบบอันนี้ก็ที่จริงอันนี้ทำให้เราถ่ายทอดผ่านดาวเดียมได้ได้ถ่ายทอดภาพ ข, ข้ามโลกมาได้ทาอภิญญาทางตาได้ ทำอภิญญาทางหูได้นะคือเรียกว่าใช้ระยะไกลการรับรู้ระยะไกลการศึกษาในระบบทางไกลเกิดขึ้นทางตาทางหูได้แต่ทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ได้ระยะไกลมีไม่ได้คือหมายถึงประสาท ต, ตาที่อยู่ในตาเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มาอารมณ์มากระทบตาของเราถ้าลำพังอารมณ์กระทบตาเฉยเฉยเนี่ยวันวันหนึ่งในขณะที่เราลืมตาเนี่ย อาลงกระทบตาเรามีใช่น้อยใช่ไหมวันๆที่เราเ อ, อ่นขึ้นมามีหูมันมันลืมมันตลอดเวลาหมายถึงหูเปิดตลอดเวลามีเสียงมากระทบหูวันนึงเท่าไหร่ออกไปข้างนอกเนี่ยกี่ร้อยเสียงเคยเคยลงเดี๋ยวออกไปลองดูเพราะได้เนี่ยตั้งแต่เดินทางกลับบ้านได้ยินกี่ร้อยเสียงเอาเป็นประเภทก็พอนะเสียงรถเสียงนกเสียงกาเสียงคน เสียงเพลงเสียงอะไรต่ออะไรเต็มหมดได้ยินกี่้อยเสียงมากมายหลายเสียงเหลือเกินที่มันมากระทบแต่ว่าอารมณ์ที่มากระทบประสาทของเราเนี่ยมันเป็นภาษาวิชาการใช่เขาเป็นโมคาารม์ไปซะมากเป็นโมคาารมลองนึกเดาดูเขาว่าแปลว่าอะไรเป็นอารมณ์ที่เป็นโมคาไม่มีผลต่อการรับรู้เสียมาก จริงมฮะวันวันหนึ่งเนี่ยอารมณ์เข้าตาไม่รู้เท่าไหร่เป็นโมฆะไปซะเยอะที่เราจะรับรู้อารมณ์นั้นเพื่อเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยมีเป็นส่วนเล็กน้อยเรานึกถึงข้อเท็จจริงเป็นอย่างไ น, นเราก็เห็นจริงอย่างที่ท่านว่านั่นเราอย่างเราลืมตาลงไปข้างหน้ามีอารมณ์เนี่ยตั้งร้อยสารพัดเลยมาเข้าตาเห็นไหมครับเข้าแล้วพอจิตจับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยมันก็จะ เสพอารมณ์นั้นอารมณ์อื่นก็ฟรีไปหมดไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่ไม่มีผลต่อการรับรู้และเป็นบุญเป็นบาป่างหูก็ทานองเดียวกันนี่ถ้ามันจะเป็นโมคะหรือไม่โมคะในอารมณ์อะไรเนี่ยมันเพราะอะไรรู้ไหมแล้วอะไรอย่างเช่นท่านนั่งอยู่เนี่ยโพึกผ้าก็มีเสียงแอก็มีเสียงอะไรแต่อะไรหลายอยา่างแต่มันเป็นโมคะไปเยอะหละ นี่มันบางทีเสียงค่อยแต่ไม่เป็นโมฆะใช่มะบางทีภาพชัดไม่เป็นโมฆะเออมาอยู่ที่อะไรการใส่ใจครับอยู่ที่การใส่ใจเนี่ยเป็นสําคัญที่สุดเลย<ม>ถ้าคนใส่ใจในอารมณ์ใดก็แปลว่าเขาเลือกที่จะรับรู้อารมณ์นั้นอารมณ์อื่นไม่เอาเราก็ปล่อยอารมณ์อื่นให้พ้นไป นะฮะหมดออกไปมาหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายเราเลือกเอาทางหนึ่งอันหนึ่งอันเดินก็ปล่อยมันอยู่ที่เราเลือกอะไรเอ๊ทีนี้เรารู้วนเราเร า, เราเลือกอะไรเนี่ยมันอยู่ที่อะไรเราถึงเลือกอย่างนั้นรไูไหมว่าทําไมเราถึงเลือกอันนั้นเลือกอันนี้อย่างท่านเข้ามาเนี่ยท่านก็เลือกเลือกที่จะเอาแค่ดูเนี่ยครับท่านเลือกที่จะดูใช่ไหมฮะทําไมท่านไม่ไปมองมองไอ้จอล่ะ มองจอแล้ว ไ, ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมฮไม่มองพระพุทธรูปไม่มองเสาไม่มองอื่นส่วนอื่นเพราะใจทะเลยจัวความใส่ใจที่เรามานาัสิการลงไปเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวซูมเป็นตัวซูมนะใช่ไหมเอาอะไรจะดูอะไรนี่ไอ้ตรงนี้แหละครับตัวเลือกที่ว่าตัวมนสิการที่เราจะบริหารมันแล้วมันจะเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องน่าสนุก สำหรับเรื่องนี้แล้วเอาไปใช้ด้วยเอาไปปฏิบัติด้วยนะฮะว่าเราเนี่ยบางทีเราเลือกแล้วมันก็ไม่เป็นไปอย่างเราเลือกใช่ไหมบางทีมันก็มันไม่ได้อย่างใจอ่ะแล้วทาไมบางคนเขาได้ล่ะจริงไหมะฮ ะ, ะสมมติว่าไอ้ตอนบางอย่างเนี่ยเราเราค่อนข้างจะจะเรียกว่ามีอํานาจเหนือมันในชีวิตประจําวันเนี่ยนะเราค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ แต่ที่เราจะรู้สึกว่ามีปัญหามากและดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะมรติการเรามันไม่ได้ผลที่ไหนรู้ไหมครับท่านลองนึกดูดิเราไป ร, รู้จักตัวเองรู้คุณภาพของตัวเองมากๆกว่าไอไ อ, ไอมรติการเราเนี่มันมันไม่อยู่ในอำนาจเราตัวดีกว่ะไปเห็นที่ไหนเห็นเมื่อไหร่ที่ปฏิบัติธรรมจริงหรืเปล่า เนียยกเอาอย่างสูงสูงและชัดๆัดสำหรับหลายหลายท่านเห็นเลยครับว่าเขาบอกเอาดูท้องฟองท้องยุบตังตังมุมซูมอย่างนี้มันไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นอะไรก็ไม่รู้หรือให้เดินจงกลมกําหนดมันไม่เห็นนะมันไปที่อื่นเนี่ยที่เราเดินเดินผ่านเนี่ย มันมีอะไรมันมันแทรกเรียกว่าเป็นอารมณ์แทรกเข้ามาซึ่งปกตินี่อารมณ์อย่างนี้มันเดินผ่านมันก็อย่างนั้นธรรมดามันก็เป็นโมฆะไปแล้วแต่พอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยไอ้มนติการของเราเนี่ยมันถูกอากุศลเนี่ยชักนะอกูศนชักชักให้เป็นอากุศลมนติการหรืออโยนิโสมนิการแต่เพราะว่าไอ้ที่มันถูกชักและชักง่ายแต่ใครที่ไปฝึกจิตดีแล้วเนี่ยสติมันเป็นตัวชักให้เกิดโยนิโสมนิการ นั่นพวกที่เขาทำมาดีเขาก็ทําได้อย่างใจจะหยุดจะเลือกจะจับอะไรยังไงเนี่ยได้อย่างใจเลยแม้อารมณ์เดียวกันเนี่ยมันมีมุมมีด้านให้เลือกให้กําหนดให้ฉวยเอาประโยชน์คนสิบคนมาเห็นอารมณ์มาเดียวกันไอคนหนึ่งเนี่ยได้ไปอย่างเร็เวๆไปคนหนึ่งได้อย่างดีไปคนหนึ่งได้อย่างดีที่สุดไปแตกต่างเพราะความสามารถในทางการบริหารจิตด้วยมนุษยการ ของคนนี่ตัวนี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งเรียกว่าตัวนี้นะจะเป็นมรดิการเลวหรืออย่างไรก็ตามถ้าขาดแล้วการรับรู้ไม่มีแต่ถ้ามรดิการดีการรับรู้นั้นมีคุณค่าเพราะเป็นกุศลเป็นกุศลยาวนะได้บุญเพราะเกิดการรับรู้นั้นถ้าหากว่าไม่มรดิการไม่ดีการรับรู้นั้นก็เป็นการรับรู้ที่เป็นบาปนั้นทุกการรับรู้ ในแนวคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกการรับรู้จะต้องให้ได้กําไรนะให้ได้กําไรและกําไรของท่านก็คือหมายถึงการรับรู้นั้นควรจะพลิกการรับรู้นั้นให้เป็นบุญให้เกิดกุศลเจ้านาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตรงนี้น่าคิดนะน่าคิดถ้าเราถ้าเราซึ้งหนึ่งถ้าเราซึ้งในเรื่องอนุภาพของบุญเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แล้วเรามามามาฟังเรื่องว่าทําการรับรู้ให้เป็นบุญเนี่ยเราก็ไม่ต้องถามว่าให้เป็นบุญไปทําไมนะเรารู้คุณค่าเราก็มาฝึกให้มันเป็นบุญไม่ว่าอะไรมันผ่านเข้ามาให้เป็นบุญให้ได้ ห, หมดมันจะมันน่าจะเป็นบาปไงก็นึใ่ใครได้เป็นบุญให้หมดถ้าใครสร้างนิสัยหรืออสร้างโยนิโสอย่างนี้จนเป็นนิสัยเนี่ยชีวิตคนนั้นก็ดูจะประเสริฐ่นะ แต่ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าคนพูดทําได้หมดไม่ใช่ว่าทําได้แต่ก็อยากจะทําว่าหลายท่านก็อาจจะทําได้อะไรก็ดีหมดดีของเขาหมายถึงบุญนะหมายถึงบุญมองเป็นบุญหมดเลยเป็นคนที่มีจิตใจอยู่เหนือเหนือการรับรู้ที่เร็วๆพลิกให้มันเป็นกุศลหมดเอาความความชั่วหรือความเลวเนี่ยมาเป็นปุ๋ยเพาะบุญกุศลได้หมดเลย นี่คือเหตุปัจจัยที่ที่ผมว่าในชั้นหนึ่งซึ่งสี่อย่างเนี่ยครับจะเป็นเรื่องที่จะต้องพูดพูดต่อๆไปในแง่มุมอื่นๆอีกหลายแง่มุมในทางวิชาการทางลึกนะผมยกตัวอย่างให้ดูว่าที่เมื่อกี้เราตั้งปัญหาถามว่าทําไมบางคนเนี่ยอารมณ์แรงมากระทบแล้วจึงยังเฉยจึงยังไม่จึงไม่เหมือนไม่มีไม่ไม่มีการรับรู้ท่านลองสอบดูนะครับจะอยู่ที่นี่อารมณ์แรง ถ้าเป็นตามตัวอย่างนี้จากขุต ว, วันวิถีหมายถึงรูปอารมณ์ชัดแสงสว่างจ้าชัดเจนมากแต่เขาคนนั้นก็ยังไม่รู้ไม่ตื่นไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะว่าประสาทาตาเขาอาจจะบกพร่องก็ได้นะจริงไหมะฮะอย่างคนประสาทบกพร่องเนี่ยไม่ไม่ต้องถึงกระบอกนะไอบอดไม่ต้องพูดถึงไม่รู้ กนประสาทบอดได้ไม่รู้แน่สว่างยังไงก็ไม่มีทางรู้วิธีจิตไม่เกิดแต่ว่าถ้ามีประสาทดีแต่ประสาทนั้นบกพร่องตัวประสาทนั่นก็เป็นตัวทำให้อารมณ์นั่ะเจือจางไปจึงทำให้เราต้องเพิ่มเหมือนเราคุยกับคนหูไม่ดีหรือคนไม่ดีรับโทรศัพท์แหมเราบางทีหวันน่นดีดีฟอเลยโอ้โหจะลั่นอย่ครับบางคนอุตส่าห์โกรธต้องไปบอกว่าเนี่ย ถ้าคนนี้รับอย่าไปโกรเขาหน้าหูก็ตึงหูเขาตึงเขานึกว่าคนอื่นต้องพูดกับเขาดังๆเขาก็เลยคนอื่นก็ตึงเหมือนตัวเวลาพูดต้องตะโกนลั่นอย่าเล่นเอาโตก อ, อกตกใจพูดพูดผู้ ด, ดีผู้ดีเขาไม่รู้ต้องพูดกโ็โชคโหกหักเขาถึงจะรู้อันนี้เป็นเงื่อนไขอันนี้เพราะนั้นเหตุเนี่ยที่ทําให้เกิดการเศร้าในการรับรู้นะฮะเกิดการขี้เศร้าในการรับรู้คือประสาท แล้วก็ความใส่ใจไอ้นี่ก็ง่ายๆค่ะคนเราเนี่ยถ้าลองใส่ใจอะไรแล้วเนี่ยแม้นิดเดียวก็มีคุณค่ามากแค่ถุงห่อขี้แขกใบเดียวแล้วเกิดไอ้เนื้อความในในถุงห่อขี้แขกนะั้นมันมีเรื่องดีๆที่ที่เราสนใจนะตัดเก็บไปเลยเอาไปถ่ายเอกสารไว้อย่างดีเลยใช่ไหมฮ ะ, ะหรือ อ, อย่าง พวกหนังสือสำคัญสำคัญที่มีประวัติเก็บไว้ในในหอสมุดแห่งชาติอย่างพงศ์พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐเนี่ยแม้ประวัตินี่นาฟังและนาหวาดเสียวหลวงประเสริฐท่านไปเจอในนั้นว่าใหญ่แก่ซึ่งกรมยาดำรงทั้นเขียนบอกว่างั้นกำลังขวาดจะใส่จะไว้ทิ้งกองขยะหลวงประเสริไปเห็นเข้าก็ไปดูปรากฏว่า เป็นพระราชะพงศาวดารฉบับเล็กๆที่มีมีความสำคัญในทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากเขียนสั้นๆแต่ว่าไม่มีความแม่นตรงสูงท่านก็เลยขอแล้วก็เอามาให้ถวายสมเด็จกรมพยาำลำํลรงแล้วก็เก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาติก็เลยให้ชื่อพระราชะพงศาวดารเล่มน้อยนี้ว่าฉบับหลวงกระเสดเนี่ยลองคิดดูดิครับ มันเป็นหนังสือเล่มเก่าๆสำหรับคนที่เขามีความสนใจความใส่ใจสูงเนี่ยมีคุณค่ามากคนอื่นไม่เห็นคุณค่านั้นอะไรอะไรทั้งหลายแหล่ในโลกนี้เราถือว่าเป็นอารมณ์หมดคนสนใจอะไรแล้วแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะลิบหลี่ลุบหลูเก่าๆเศร้าๆสม ๆ, ๆเขาก็สนใจจริงไหมจะเป็นในเรื่องวิชาในทางวิชาการเนื้ออะไรก็แล้วแต่ แล้วหรือจะอธิบายเป็นอย่างลึกๆ ล, ลงไปหน่อยที่ผมเคยยกตัวยอย่าง เ, าเกี่ยวกับเรื่องมรดิการวิธีการเนี่ยตัวโวอดธรรมนาตาตินเนี่ยอย่างว่าคนสองคนไปเห็นกันทำไมเนี่ยคนนี้เขาถึงสนใจคนนี้เหลือเกินเพราะคนอื่นนี่ดูตั้งหัวจอดเท้าดูเช้าดูสายบ่ายคำ่ำไม่มีอะไรเลยแต่ว่าทำไมคนนี้มาเห็นเขาสนใจเหลือเกินเอาเรื่องจริงๆอะ อคนนี้เขาเป็นเป็นญาติเป็นญาติห่ า, างๆผมะในเล็กที่เป็นคนบ้านนอกเนี่ยแกตั้งแต่เป็นหนุ่มมาแกก็หาแฟนไม่ได้ไม่มีใครสนใจกันเลยนะขนาดคนบ้านนอกก็ยังไม่สนใจมันเลยที่นี้คนที่ชื่อเล็กที่เขามีการศึกษาอยู่ในกรุงเทพนะพ่อแม่ก็รับเหมาก่อสร้างมีฐานะดีก็ตามญาติอีกคนหนึ่งไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอในเล็กนั่นเขา เชื่อมเล็กเหมือนกันล่ละพอสองคนเห็นกันเนี่ยเกิดบูเพตานิวาตทุกคนก็พากันแปลกใจไม่ชอบมันได้ยังไงแม่อุศเนี่ยถึงกับยอมเนี่ยไปไปอยู่บรร น, นอกไปใช้ชีวิตอยู่บรรนนอกกับในเล็กเนี่ยนะจนถึงเดืยวนี้ลําบากยังไงก็ยอมก็ไม่รู้ก็ทําทอะไรกันมาเราก็ไม่ได้ไปสืบถามหรือไม่ได้ไปถามเขาสักทีว่าทําไมถึงมาชอบมันเข้าอย่างเนี้ยเราไม่ใช่ว่าเราพูดตรงเด่น ในทางธรรมะในกระดือมันเป็นมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นครับไม่ว่าอะไรเป็นแต่ว่าเราไม่เราไม่เข้าใจเท่านั้นเองเราก็หวังบังเอิญอย่างนั้นอย่างนี้มีเหตุปัจจัยทั้งนั้นแบบเดียวก็เรื่องนางปัตจลานะ่ะนางปัตจลานางกุณฑลเกษีมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยที่จะต้องมาเป็นอย่างนี้เพียงแต่เรามองไม่ออกเท่านั้นถึงทําให้ความรู้สึกนึกคิดความใส่ใจความสนใจกลายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละครับนี่แหละ อย่างคนนอนไม่นอนหลับเนี่ยลองดูสิถ้าเราเอาเง่ความใส่สนใจไปไปลองนะนึกว่ามีลูกคนหนึ่งมันนอนไม่ตื่นบอกาเร็วเรียบรีบตื่นเร็วไปโรงเรียนไปไปส่งพ่อหน่อยพ่อจะไปวัดวันอาทิตย์ไม่ตื่นบอกว่าเร็วเรวเล็กสะกิดเบาๆบยแฟนโทรมาดูทิมันจะตื่นไหมมันก็ต้องรีบตื่นใช่ไหมเพราะว่าตัวมริการมันมีกําลัง สกิดเบาๆก็ตื่นนะในเวลาเขาบอกรักกันเนี่ยเขาพูด ก, กันเ<ม>บาๆทั้งนั้นแหละแต่ทําไมมันมันทราบซึงไม่ลืมงันก็ไม่รู้นะเก็บ <c oughs> เอาไปคิดกันเป็นเดือนเป็นวันเป็นปีไม่มีใครเข้ามาตะโกนบอกก็แล้วครับนี่เป็นเหตุปัจจัยนะครับอย่างคร่าวๆแล้วเรายังจะต้องพูดเมื่อถึงจังหวะกันอีกทีหนึ่งเราจะดู การทำงานของวิถีจิตขยับเข้าไปสู่รายละเอียดซักเที่ยวหนึ่งก่อนแบบคร่าวๆนะครับโดยเน้นความหมายอย่างง่ายๆในทางภาษาไทยเราก็จะเห็นว่าเมื่อตาเราเห็นรูปหนึ่งขณะหรือหนึ่งหน่วยหูเราฟังเสียงหนึ่งหน่วยจิตจะเกิดขึ้นทำงานสืบต่อกันโดยลำดับ ตั้งแต่ต้นจนอวาสานดังต่อไปนี้ครับอ๋อมีมีแจกใช่ไหมครับครับอสําหรับอที่เขียนให้ดูเนี่ยนะครับขอให้ค่อยๆเรียนแบบกระแทกเข้าไปทีละหน่อยทีละหน่อยจะได้ไม่ลําบากให้เป็นขั้นเป็นตอนไปอันอื่นบางอย่างถ้าผมยังไม่ไม่เน้นบอกก็อย่าเพิ่งไปกังวลอย่าเพิ่งไปใส่ใจล่วงหน้า อันนี้ที่ให้ดูเป็นอย่างความหมายไทยๆซะก่อนนะครับที่เขียนเป็นรูปคําย่ออยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะยังไม่เน้นบอกในตรงนี้เพียงแต่ว่าบางทีอาจจะยกตัวอย่างอ้างถึงในบางส่วนบางตัวเท่านั้นแต่ยังไม่ลําดับให้ดูอย่างครบถ้วนเมื่อมีอารมณ์มากระทบอารมณ์เนี่ยเมื่อมากระทบจะกระทบที่อายตนะหรือประสาท นะครับเป็นว่าเรายกกรณีที่รูปารมณ์มากระทบที่ประสาท ต, ตารูปารมณ์คือแสงมากระทบติตาแสงเป็นเหตุปัจจัยภายนอกอยู่นอกตัวนะเราอันนี้เรายอมรับแล้วว่าอารมณ์เนี่ยอยู่นอกตัวหรืออยู่นอกตาตัวในหมายถึงตาอาจจะเป็นลูปของเราหรืออะไ ร, รก็ของเราก็ตามแต่ยู่ว่าอยู่นอกตา การที่บอกว่าจักขูวิญญาณไม่สามารถจะเห็นตาได้เห็นตานะหมายถึงดูตานะมองไม่เห็นถ้าไปส่องกระจกก็ปแปล ว, ว่าถ่ายภาพนะให้เป็นข้างนอกแล้วก็ย้อนกลับมาอีกทีอย่างนั้นได้เป็นปรูปอารมที่จะต้องมาจากข้างนอกเดินทางมาจากข้างนอกมันกระทบตามาใกล้มาไก ล, ก, ลก็แล้วแต่มากระทบที่ประสาทตา แล้วเมื่อกระทบที่ตาเนี่ยมันก็กระทบอยู่ที่ตานั่นไอ้ตอนที่มากระทบที่ตาถ้าถามว่าก่อนที่อารมณ์จะมากระทบตาจิตก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นอะไรเราก็ตอบว่าจิตหลับเพราะจิตหลับเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับแหนหรือจอกที่เกิดขึ้นในบ่อมันมีรักษาชีวิตเราเนี่ยมันเป็นสภาพอย่างนั้นนะถ้าเมื่อใดเราไม่ เอาอะไรโยนลงไปในสระนั้นแหนมันก็จะปกคลุมเป็นเหมือนกับแผ่นพื้นแ่งพังกจิตปกคลุมอยู่อย่างนั้นซึ่งเราจึงมีความหลับเป็นปกติเพราะความหลับของเรานั้นเป็นตัวรักษาสภาวะชีวิตของเราให้มีความเป็นมนุษย์อย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ต่อเมื่อใดมีก้อนหินหรือก้อนดินหรือมีลมมีฝนลงมากระทบกับ ผืนแห่งจอกแหนนั้นจอกแหนนั้นก็จะเบิกเปิดขึ้นเปิดขึ้นเพราะกําลังกระทบของวัตถุแข็งๆทั้งหลายที่เราโยนลงไปกระทบผิวน้ํานั้นนะเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยเหมือนกับไอแรงกระทบอย่างนี้ทําให้พะวังต้องหยุดพะวังต้องเปิดตัวเองออกมาเป็นความตื่นนะครับแล้วพอสิ้นอํานาจของ แรงกระทบของก้อนหินก้อนดินที่โยนลงไปผื้นแห่งจอกแห่งแหนก็ปิดเหมือนอย่างเดิมพอโยนลงไปมามันก็เปิดอีกมันก็มเปิดเปิดไปปิดปิดไปเิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเมื่อมีอารมณ์มากระทบประสาทผวังคจิตใจหยุดครับใจหยุดปกคลุมความรู้สึกเราทันทีเขาเรียกว่ากระแสผวังขาดนะกระแสผวังขาด เนี่ยอันนี้ผมว่าอย่าง อ, อาจจะกระโดดข้ามอะไรบ้างนิดหน่อยอย่างคร่าวๆพอนูกออกแต่ว่าตอนที่อารมณ์กระทบประสาทแกลกๆเนี่ยมันยังไม่ตื่นทันทียังตื่นไม่ทันยังตื่นไม่ทันเมื่ออารมณ์กระทบประสาทแกลกๆนั้นเผวังจะไม่เป็นปกติภาพปกติภาพหมายถึงเผาวังเนี่ยมันคลุมอย่างนิ่งอันแน่นสนิทแต่พอมีอารมณ์กระทบประสาทพับ เขาเรียกว่าพาวังเริ่มหวันไหวเริ่มไหวตัวแต่ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นนะครับเหมือนเราปลุกคนที่กำลังนอนหลับไปไปปลุกที่ตัวเขย่าตัวเขาตื่นเนี่ยเขาไม่ตื่นทันทีหรอกต้องให้กายเขาเนี่ยวไหวถึงจุดหนึ่งซะก่อนเขาจึงตื่นนะนั้นอารมณ์เพื่อมากระทบประสาทปั๊บเนี่ยพาวังจะเริ่มไหว เพรนั altung, ้นไอ้ผว uh, ังไหวตรงเนี้ยที่เขียนว่าถึงน่ะแปลว่าอารมณ์ชนประสาทผวังไหวที่เขียนย่อวันหน้านะมาจากคาว่าผวังพระเจรนะแปลว่าผวังอีท่านยังไม่ต้องสงส์สนใจพระสับริอารมณ์ถึงประสาทขณะใดผวังไหวขณะนั้นนะฮะที่เขียนว่าถึงน่ะแปลว่าตัวอารมณ์ชนประสาทกระทบประสาทอารมณ์ถึงตาอารมณ์ถึงตา ผวังไหวตัวแต่ยังไม่ตื่นผวังนั้นยังไม่มารับอารมณ์ที่มากระทบแต่ถูกอำนาจของอารมณ์ทาให้วันไหวผวังยังมีอารมณ์เป็นอารมณ์เดิมอยู่ยังจับอารมณ์เดิมอยู่แต่เริ่มคลอนแล้วลอนพอผวังขณะที่หนึ่งขณะที่ไหวตัวเนี่ยดับไปนะที่อารมณ์มาชนครั้งแรกดับไป เวังขณะที่สองก็ยังถูกอารมณ์นั้นกระทบต่อไปนะถูกอารมณ์นั้นกระทบต่อไปเาวังนั้นก็ไหวไหวเป็นครั้งที่สองอีกมีสภาพไหวแต่ไหวมากขึ้นเรียกว่าไหวมากขึ้นไหวเป็นครั้งที่สองไหวในหมายถึงหวั่นไหวเพื่อเตรียมตัวตื่นจะตื่นโดยไม่หวั่นไหวไม่ได้ต้องหวั่นไหวซะก่อนแล้วจึงตื่น และที่หวั่นไหวนั้นเพราะอารมณ์มาปลุกมาเขยา่ามาทำให้กระเทือนด้วยการมาทำให้กระเทือนที่ประสาทและความสะเทือนแล้วก็เข้าไปถึงจิตเพราะจิตกับประสาทนั้นเนื่องถึงกันพอไหวครั้งที่สองคราวนี้มันไม่ไหวแล้วคือมันทนเป็นพวังต่อไปไม่ได้ เลย ข, ขณะจิตนี้ดับไปจิตอีกขณะหน<ฮ>ึ่งโผล่ขึ้นมาเป็นจิตตื่นเลยครับเรียกว่าเป็นจิตตื่นที่ที่เคยใช้คาว่าจิตแรกตื่นเป็นจิตตื่นเป็นขณะที่สามของการกระทบของอารมณ์อารมณ์ยังอยู่นะอารมณ์บัมณมเนี่ยยังกระทบค้างอยู่ที่นั่นจิตมันก็ดับไปดับไปเปลี่ยนความรู้สึกไปเรื่อยเปลี่ยนการรับรู้ชัดขึ้นไปเรื่อยถึงขณะนี้ตื่น นั้นความตื่นในขณะเนี่ยถ้าถามว่าตื่นตื่นนีแ่แปลว่ามีอารมณ์เป็นอารมณ์ใหม่แล้วคือรู้ปารมที่มากระทบนั่นแหละตื่นขึ้นมารับอารมณ์ที่มากระทบนั่นแหละมันไม่ใช่แค่ไหวแต่ยังหลับอยู่เหมือนอย่างภ า, าวังสองขณะแรกเนี่ยนี่เป็นจิตตื่นแต่ถามว่า ขณะที่เราตื่นขึ้นเี่ยคือพ้นจากความหลับเนี่ยเรารู้ไม่ว่าเราตื่นและเรารู้ไม่ว่ามันเป็นยังไงไอตอนนั้นนอะเรารู้ไม่ว่าเราตื่นบอกไม่รู้เรารู้ไม่ว่าแรกตื่นเป็นไงเราไม่รู้นี่พูดถึงโดยธรรมดานะโดยธรรมดาไม่รู้ไอที่เรารู้ว่าเราตื่นเนี่ยเรารู้ในภาวะหยับหยบถัดจากนั้นไปแต่คนที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมรู้ได้ เห็นความรู้สึกเปิดตัวออกมาได้แต่ถ้าอย่างเราเนี่ยรู้ไม่ได้รู้ไม่ได้ด้วยวิธีการนึกรู้อย่างธรรมดาแต่สําหรับคนที่ฝึกฝนทางจิตฝึกฝนสติมีสัมมชัญญะเมื่อตื่นก็รู้ว่าตื่นเมื่อหลับก็รู้ว่าหลับเมื่อทําอย่างอื่นความรู้สึกเคลื่อนไหวไปอย่างไรก็รู้คนเหล่านี้เขารู้ได้และจับตัวมันได้ว่าตัวเองนะั้นแลกตื่นอย่างไรนะฮะทีนี้พอเราตื่นขึ้นมาจับอารมณ์ ที่มากระทบตานั้นแล้วแล้ว่ววารู้รอารมอะไรมันกระทบเราก็ตื่นขึ้นมาจับอารมณ์นั้นแต่รู้ไม่ว่าอารมณ์นั้นเป็นอะไรยังไม่รู้อันนี้คําว่ายังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะ ง, งงว่ารู้ที่ผมว่ามีสองแบบสองใจแล้ว น, นะครับคือหนึ่งรับรู้หรือรู้สึกในอารมณ์นั้นรับรู้ในอารมณ์นั้นอันหนึง่งกับรู้ว่ามันเป็นอะไรอีกอันหนึง่งมีไหมครับที่เรารู้สึกแต่ไม่รู้มันอะไร เช่นเราลงเอาเท้าแย่ไปในน้าไปเหยียบอะไรเข้าทีมเท้าเราเนี่ยเรารู้สึกเจ็บแต่รู้ไม่ว่าเจ็บเพราะอะไรไม่รู้ใช่ไหมเราเข้าไปในห้องมลมืดไปจับอะไรเขาลูนี่มันแข็งแกรงรู้ไม่ว่าอะไรไม่รู้อย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้เรารู้ว่าเราเราเราเรารู้สึกตื่นนะแต่ไม่รู้ว่าอะไรนี่เป็นขั้นที่หนึ่งพอ วัวตื่นนี้ผ่านไปขนาดแรกต่อไปก็เห็นเห็นทาที่ว่าเห็นเนี่ยแปลว่าลูปารมนั้นไอความรู้สึกตื่นครั้งแรกเนี่ยมันยังกลุ่นอยู่ในใจนะเขาเรียกว่าตื่นตื่นอยู่ในความนึกในใจเงียบๆก่อนครั้งแรกก่อนเหมือนกับเราเรารู้สึกตื่นความรู้สึกเราจะรู้สึกในใจก่อนตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาในใจ ไอ้ความรู้สึกแรกตื่นเปนงั้นเสร็จแล้วอารมณ์นั้นถึงมาปรากฏชัดที่ตาของเราอย่างจริงๆคือตื่นแล้วเห็นตื่นก่อนแล้วจึงเห็นตอนเห็นเนี่ยแปลว่าอารมณ์มากระทบที่ประสาทตาและจากคูวิญญาณเนี่ยไอ้ตัวเห็นเนี่ยมันไปเห็นที่ตาเรียกว่าไปประสานกับอารมณ์ที่ตาประสาทตาอยู่นี่อารมณ์กระทบที่นี่ไอ้ความรู้สึกแรกตื่นที่แรกนั้นมันเพียงแต่ รู้สึกตื่นอยู่ในใจคือพ้นจากหลับในใจก่อนพอรู้สึกตื่นครั้งแรกดับแล้วจกักขูวิญญาณมาตั้งที่ตาแล้วก็เห็นรูปารลมอันนั้นกําหนดเห็นรูปารลมอันนั้นตรงขณะ น, นี้พอเห็นเห็นคือจกักขูวิญญาณไปปรเชิญหน้ากับรูปารลมที่ตาแล้วดับไปหมายถึงรูปาลมอ่าจากักขูวิญญาณดับจิตเห็นดับนะ ถัดจากนั้นมันก็มีจิตอีกขนาดหนึ่งเกิดขึ้นมารับรูปารมที่ตาเห็นเมื่อกี้เพื่อรับไปไหนรับไปเพื่อกําหนดรู้ว่ามันอะไรไม่ใช่แค่รับรู้เฉยๆแล้วไม่รู้อะไรเพื่อกําหนดรู้เนี่ยขั้นตอนต่อไปนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่จะทําความรู้จักในอารมณ์ว่ามันคืออะไรนะไม่ใช่สักแต่รับรู้เฉยๆ เพื่อพยายามจะให้รู้ว่าเป็นอะไรพอตาเห็นจิตเห็นทางตาดับไปขณะจิตต่อไปมันก็รับรับการรับรู้ของตาที่เห็นมาเนี่ยเพื่อไปส่งต่อให้ขณะจิตต่อต่อไปความจริงจิตที่เกิดขึ้นรับเนี่ยว่าที่จริงถ้ามันตัดสินได้เองก็ตัดสินไปแล้วแ่ะแต่มันตัดสินไม่ทันมันต้องมีขั้นตอนพอสมควรตัดสินไม่ทันก็เท่ากับเกิดขึ้นมาแล้ว รับการรับรู้ต่อมาเท่านั้นแล้วตัวเองก็สิ้นอายุดับไป mm. เพราะดับไปแล้วขณะจิตใหม่เกิดขึ้นมีความสามารถมากขึ้นเพราะว่าระยะเวลาที่ผ่านไปแต่ละขณะเนี่ยมันมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าในทางความรับรู้ของจิตอย่างที่เราได้พูดมา mm. ขณะจิตต่อไปนะั้นจึงทำหน้าที่พิจารณา พิจารณาทำไมครับพิจารณาเพื่อจะให้รู้ว่าอารมณ์นั่นคืออะไรที่ที่เขียนคําย่อไว้ว่าสันติลนะตอนนี้ก็ยังไม่ต้องสนใจทําหน้าที่พิจารณาว่าอะไรอะไรก็ยังไม่รู้อีกนะยังตัดสินไม่ได้แต่มันชักเริ่มชักเริ่มเข้าใจมากขึ้นแต่ยังตัดสินไม่ได้เริ่มเห็นละแค่ละคายมากขึ้นขณะจิตนี้ดับไปก็ไปถึงอีกขณะหนึ่งทําหน้าที่ตัดสิน คือตัดสินได้เลยว่าอารมณ์นี้เป็นอย่างไรและเราควรจะยินดียินร้ายในอารมณ์นี้เป็นจุดตัดสินไอจุดนี้แหละที่เรียว่าเป็นวัฒนะเป็นตัวที่ตัดสินใจต่ออารมณ์ต่างๆว่าบางคนเนี่ยเห็นอารมณ์นี้ตัดสินอย่างนี้บางคนเห็นอารมณ์นี้แต่ไปตัดสินอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่นี่ อยู่ที่เหตุปัจจัยเราจะค่อยๆ อ, อ, อธิบายกันที่หลังให้ให้เห็นอัศจรรย์ยิ่งขึ้นนะนะเอาเป็นว่าเมื่อตัดสินแล้วตัดสินแล้วต่อไปก็เป็นบุญเป็นบาปเพราะตัวตัดสินเนี่ยมันกําหนดว่าให้ยินดีหรือยินร้ายหรือเกิดกุศลหรือเกิดอกุศลชาววันะที่เขียนว่าจอจางก็ทําหน้าที่เสพอารมณ์นั้นที่บรรดาขณะจิตอื่นเนี่ยได้เรียกว่าได้ปอก ปอกเปลือกจัดใส่จานมาเรียบร้อยแล้วมันก็เสพกินอารมณ์นั้นอย่างอริเอร่อยในฐานะที่เป็นบุญหรือเป็นบาปก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นบุญบาปก็เกิดตรงนี้แปลว่าการที่เรารับรู้อะไรแต่ละรังแต่ละหนเนี่ยควาจะเป็นบุญเป็นบาปได้นั้นต้องผ่านขั้นตอนนะต้องผ่านขั้นตอน และเราปรารถนาจะให้ชาวนาเป็นบุญก็ได้ปรารถนาจะให้ชวนะเป็นบาปก็ได้ด้วยการฝึกฝนและควบคุมขั้นตอนที่มันทำงานในส่วนที่เราควบคุมได้ให้เป็นชาวนาก็จะเป็นบุญหรือเป็นบาปตามต้องการและถ้าใครทำจนชินแล้วเนี่ยต่อไปอาจารย์อัตโนมัติท่านบอกอัตโนมัติคือเป็นไปเองเลย พอเห็นอารมณ์อย่างนั้นปั๊บเนี่ยมันไปเลยเป็นบุญเลยเห็นอารมณ์อย่างนี้ปั๊บเป็นบุญเลยคนที่เขาชินกับอารมณ์มากๆเป็นบุญการโลมมาเขาก็เห็นอารมณ์ทุกอย่างแทบจะเป็นบุญหมดเพราะเขาฝึกมาจนชินเห็นอะไรก็กําหนดเป็นกุศลชาวนะตลอดไอ้ชาวนะแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยก็มีอนุภาพมีความหมายพิเศษแตกต่างกันี เราเราคงจะเคยได้ยินเรื่องกรรมให้ผลชาตินี้กรรมให้ผลชาติหน้ากรรมให้ผลชาติหน้าหน้าถัดไปไม่อยู่ในนี้หมดแหละแล้วในในเรื่องวิจิจิตรอธิบายได้ว่าทําไมไมันถึงไอ้ดวงนั้นมีอนุภาพแค่นี้ดวงนี้มีอนุภาพแค่นั้นชาวนาแต่ละดวงเนี่ยนะอันนี้ก็ว่าละว่าเราเราให้ฟังในส่วนนี้ซะก่อนด้วยพอเสพจนถึงที่สุด ถึงที่สุดนี่แปลว่าอารมณ์หมดอายุอายุอารมณ์หมดอายุคำเข้าวหมดปากพอดีวิธีจิตเกิดต่อไม่ได้เพราะจิตจะเกิดต้องมีอารมณ์ถ้าอารมณ์ไม่มีจิตไม่เกิดนะอารมณ์มีในแปลว่ามีแล้วต้องมากระทบด้วยไม่ใช่มีอยู่ที่อื่นแนละ้วไม่มากระทบมีต้องมากระทบแล้วเมื่อกระทบแล้วเนี่ยอารมณ์นั้นยืนอยู่มากวิธีจิตเกิดยาว อารมณ์นั้นยืนอยู่น้อยวอารมณ์คำโตวิถีจิตเกิดนานอารมณ์คำเล็กวิถีจิตเกิดน้อยพอหมดก็แปลว่าต้องลงลงไปสู่ความหลับไอ้ตอนจะลงเนี่ยครับอยู่ๆจะลงไม่ได้อันนี้เนี่ยครับทาให้เราเห็นว่าไอ้ที่เราพูดพุยกันว่าในโลกเนี่ยมันจะมีอะไรมากมายมีผลิตพันธ์มี สิ่งของสังขารมากอย่างตามประเภทยังไงก็ตาม แ, แต่ไอ้ส่วนหลักเนี่ยมันจะมีไม่กี่หลักถึงมีนักปราชญาบางคนพยายามจะสันนิฐานว่าที่พระเจ้าทะลุอะไรหมดเนี่ยท่านน่าจะตัรู้หลักหลักของสิ่งทั้งหลายที่ ม, มันมันมันพูดกันได้จบมันมีอยู่ไม่กี่หลักและอะไรอะไรเกิดมาแล้วมันสอดคล้องกับหลักพวกนี้แล้วก็เป็นงานวัจบกันไม่รู้เข้าใจเปล่าคําว่าหลักเนี่ย เช่นหลักเหตุหลักผลทุกสมุทัยในโลกมันก็เป็นหลักนะหรือหลักแรงดึงดูดหลักอะไรแต่อะไรนี่มันเป็นหลักเท่านั้นแล้วก็หลักไอแรงเวลาจะลงเราเราขับรถขึ้นละพานเวลาจะลงไอตอนจะลงเนี่ยต้องชะลอใช่ไหมไอที่เขาสร้างรถมามีเกียร์นั่นเกียร์นี้มันก็มาจากหลักอีกแหละใช่ไหมฮมันมาจากหลัก วิถีจิตก็อยู่ในในอากณรพวกนี้นั้นวิถีจิตเมื่อขึ้นชาวันะเสพอารมณ์และไอตอนเสพอารมณ์ถือว่าเป็นจิตที่ลุกโชนที่สุดมีกำลังมากที่สุดของวิถีจิตนะพออารมณ์หมดเข้าตัวจะลงสู่ความหลับเนี่ยอยู่ๆลงไม่ได้ในตำลารุ่นเก่านั่นแหละท่านเปรียบแต่ว่าท่านไม่เปรียบเหมือนรถสมัยนี้ถ้าเป็นอนตกระถาร่วมสมัยก็คงจะเปรียบเหมือนเกียร์รถ แตสมัยก่อนท่านเรียนเหมือนคนจะวิ่งคนวิ่งเร็วๆจะหยุดเนี่ยนะเวลาวิ่งเร็วมากๆจะหยุดเนี่ยจะต้องทําไมก่อนหยุดเลยทันทีไม่ได้ต้องชะลอก่อนต้องชะลอก่อนแล้วจึงหยุดใช่ไหมฮะเวลาคนขับรถเร็วมันจะหยุดก็ต้องชะลอก่อนจึงจะหยุดไอ้อย่างนั้นถึงจะปลอดภยัยนั่นไอ้จิต เนี่ยความจริงทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันจะมีไอระบบรักษาความปลอดภยัยนะของมันนะจิตกรรมการเนี่ยมันเกิดขึ้นมดถึงจุดรุนแรงอย่างนี้แล้วเนี่ยมันอยู่ๆจะหยุนจะต้องมีขั้นตอนที่มาทําให้จิตนะไม่เกิดอุบัติเหตุไม่งั้นแล้วเกิดอุบัติเหตุใครที่ซื้อบริเฉษสีไปทักอ่านล่วงหน้าก็คงจะไม่รู้แหละแต่ไม่รู้ก็อาจจะนึกสงสัยมีอาคารตุกกบป้องกัน ในนั้นมีอาคันตุกะผวังอยู่ดวงชื่อชื่อแปลกอาคันตุกะภาวังเนี่ยมันเป็นตัวที่ตัวที่เข้ามาทําหน้าที่ชะลอเนี่ยแทนวิถีจิตที่ทํางานในบางโอกาสเพราะว่าจิตที่เกิดขึ้นทํางานในบางโอกาสเนี่ยตัวสองตัวสุดท้ายมันเกิดไม่ได้มันไม่มีเกิด ก็ต้องมีไออาคารตุกตาผวังเนี่ยเข้ามาเป็นตัวชะลอแทนถ้าตัวนี้ไม่เข้ามาชะลอแทนแล้วเกิดอุบัติเหตุทางจิตก็เลยเข้ามาชะลอแทนเป็นแขกจรเป็นอาคารตุกตาเป็นล่มชูชีพคล้ๆเป็นล่มชูชีพทําให้ปลอดภยัยเกิดการปลอดภัยทางจิตเนี่ยไอตัวนี้เป็นจุดลงที่เขียนให้ดูเมื่อกี้ว่าจุดขึ้นในอยู่ตรงไหนจุดลงอยู่ตรงไหนแล้วจะเห็นว่าจุดขึ้นเนี่ย นะจุดขึ้นนี่มันเยอะหน่อยแล้วก็จุดตั้งอยู่ข้างบนก็เยอะเพราะจุดลงเนี่ยสั้นหน่อยเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับการทำความรู้จักอะไรแล้วเป็นไต่เพียงว่าชะลอจิตลงไปสู่ที่ต่ำคือพวังกจิตเท่านั้นเอง